ิีนี้พระเวสสันดรโพธิสัตว์โดยปกติก็จะประทับคอช้างตัวประเสริฐเนี่ยนะจได้นะปัจญานาคตัวนั้นแหละก็จะขี่ช้างตัวประเสริฐที่ตกแต่งแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรงทานเนี่ยทั้งหกเดือนละหกครั้งเนี่ยนะทานทั้งหก่็ประตูเมืองสี่ประตูเนี่ยนะแล้วก็กลางเมืองที่ประตูวังเนี่ยนะก็จะตรวจเดือนละหครั้งหกครั้งเนี่ย แต่ปกติก็จะบริจาควันละหกแสนเนี่ยนะในครั้งนั้นในกาลิงครัฐเกิดฝนแรงเนี่ยนะรัฐที่อยู่ใกล้ๆข้างๆเนี่ยฝนแรงขึ้นข้าวกล้าไม่สมบูรณ์ภัยคือความหิวก็เกิดขึ้นเป็นอันมากมนุษย์ทั้งหลายไม่อาจจะอยู่ก็ทำจรกรรมชาวชนบทก็ถูกทุกพิกภัยเบียดเบียนก็ประชุมการติเตียนที่พระลานหลวงเนี่ยนะ ชาวบ้านนี้เดือดร้อนทุกหัวระแหงเข้ายากหมากแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันก็ง้อยหิวโจรขโมยมันก็เยอะเนี่ยนะทำไงได้ก็ประท้วงสิพระราชาก็เลยถามถึงเหตุเนี่ยนะแล้วก็กราบทูลเนื้อความนั้นว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้พระราชาก็บอกว่าดีละข้าจะยังฝนให้ตกแล้วก็ให้ชาวเมืองกลับไปพระราชาก็สมาทานศีลรรักษาอุโสถสิ้นเจ็ดวันก็ฝนก็ไม่ตกเนี่ยนะ ก็ขอสมาทานศีลแปดให้กันละกันมางั้นคิดว่าสมาทานศีลแปดแล้วฝนจะตกไหมพอสมาทานศีลแปดอีกครบเจ็ดวันฝนก็ไม่ตกพระราชาก็เลยให้ประชุมชาวเมืองแล้วก็รับสั่งถามว่าเรานี้ได้สมาทานคือรักษาอุโบสถศีลเจดวันแล้วก็ไม่อาจจะยังฝนให้ตกจะทํำยังไงต่อไปเนี่ยนะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวเมืองก็เลยกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าพระองค์ไม่สา ม, มารถให้ฝนตก พระราชอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดทรทส่งพระนามว่าพระเวสสันดร น, นั้นทรงยินดียิ่งในทานมงคลหัดถีขาวล้วนคือช้างเผือกนะนะช้างขาซึ่งไปในที่ใดฝนก็ตกของพระองค์นี่มีอยู่ขอพระองค์เนี่ส่งพรามทั้งหลายไปทูลขอช้างเผือกนั้นนำมามานะเขาบอกว่าเมืองเชตุดรที่ฝนดีข้าวกล้าดีก็เนื่องจากมีช้าง นี่นะถ้าเราได้ช้างมาอยู่ในเมืองเราเนี่ยฝนเมืองเราก็จะตกเหมือนกันเพราะสมัยนั้นก็ถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลเนี่ยนะมีมงคลเป็นช้างแก้วอย่างดีเลยนะช้างเผือกตัวนี้พระราชาก็ตรัสว่าเออดีแล้วก็ให้ประชมเหล่าพราหมณ์ได้เลือก8ดคนเนี่ยนะเลือกพราหมณ์8ดคนชื่อว่าพราหมณ์รามะพราหมณ์ทชะเนี่ยนะพราหมณ์ลักษณนะพราหมณ์สุชาติตัมมันตะพราหมณ์ยัญยะ สุชาตสุยามะโกนธั ญ, ญะแล้วก็ได้พราหมณ์ชื่อว่ารามะเป็นประมุกของพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะก็เลยได้พราหมณ์ทั้งเจประทานสเสบียงส่งไปด้วยพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงไปทูลขอช้างพระเวสสันดรและนํามาเนี่ยนะก็คือสั่งอมาตย์แดคนให้ไปขอช้างพราหมณ์ทั้ง8ดคนก็ไปโดยลําดับลุถึงเมืองเชตุดรเ น, นี่ยนะ แล้วก็บริโภคพัดในโรงทานเพราะว่าเมืองนี้สบายมากไปเมื่อไหร่ก็ได้กินเนี่ยนะเขาตั้งโรงทานไว้ประจำอยู่แล้วใครจะทำสรีระของตนให้เปื้อนด้วยธุรีก็ไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองนี่เป็นพวกกลุ่มอํามาที่มาขอเนี่ยนะก็เลยปลอมตัวเป็นพวกมเมมนเนี่ยนะเป็นยาจกนะนะก็เรียกว่าเรียนแบบยาจกให้มันเต็มที่ไปเลยก็ไล่ท้าด้วยฝุน่นแล้วก็ทูลขอช้างพระเวสสัดดนดร ทีนในวันรุ่งขึ้นก็ไปสู่ประตูเมืองด้านทิศประจีนประจีนก็คือทิศตะวันออก嘛นะในเวลาพระเวสสันดรเ น, นี่ยเสด็จไปในโรงทานฝ่ายพระราชาเวสสันดร น, นี้ก็ทรงรําพึงว่าเราจะไปดูโรงทานจึงทรงเสวยโภชนะรถเลิศต่างๆตั้งกะเชา้าปกติวันไหนถ้าจะไปตรวจโรงทานวันนั้นก็จะทานอาหารตั้งกะเช้าหน่อยประทับบนคอข้อสะสารตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้ว ก็เสด็จไปทางปราจีนทวารคือออกออกเมืองด้านประตูทิศตะวันออกพราหมณ์ทั้งแปดคนไม่ได้โอกาสในที่นั้นจึงไปสู่ประตูด้านทิศทักษิณคือไปไปเหลืกไปทางประตูทิศใต้เนี่ยนะก็ยืนอยู่หน้าสถานที่สูงในเวลาที่พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรรงท า, ทางทิศปราจีนทวารแล้วก็เสด็จไปทิศทักษิณเนี่ยนะคือดูเขาเขาก็เริ่ม ท, ทั่วไปจะเดินประทักษิณทางขวานนะ จะเดินขวาเวียนขวาไปเพราะฉะนั้นจากทิศออ ก, ออกจากเมืองตอนแรกทิศตะวันออกเนี่ยนะก็เดินไปเลาะไปทางทิศใต้พราหมณ์นี้ก็ไปดักทางประตูทางทิศใต้เลยทีนี้ก็เหยียดมือข้าง ข, างขวาออกกล่าวว่าพระเจ้าเวสันดรราชจงทรงพระเจริญจงชนะเนี่ยนะเขาไปถึงไม่ใช่ขอเลยหรอกไปอวยชัยให้พรก่อนใช่ไหมขอทรงพระเจริญอย่างงี้นะขอให้ได้รับชัยชนะอย่างเงี้นะก็ไปชมซะก่อน พระเวสสันดรมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งหลายก็บ่ายช้างพระที่นั่งไปสู่ที่พราหมณ์เหล่านั้นยืนอยู่ประทับบนคอช้างก็ตรัสคถาที่หนึ่งว่าพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีขนรักแร้ดกมีเล็บยาวมีขนยาวและฟันเครือมีธุลีบนศีรษะเหยียดแขนขวาจะขออะไรเราหรือเนี่ยนะกระทงคําถามคือปกตินี่เราเป็นนักให้อยู่แล้วนะเห็นใครก็ได้ออกมาขออยู่แล้วเนี่ยนะจะเอาอะไรล่ะทีนี้พราหมณ์ทั้ง8ก็กราบทูลว่า ข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลขอรัตนะซึ่งยังแว่นแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างตัวประเสริฐซึ่งมีงานเนี่ยนะดุจงอนไถสา ม, มารถเป็นราชพหานะก็บอกว่าขอช้างตัวที่พระองค์นั่งมานั่นแหละพระเจ้า่ากั้นนั่นนะถ้าเป็นของเราก็บอกว่ารถคันไหนนั่งมาก็ขอรถคันนั้นนั่นแหละมันนั่นนะถ้าของเรานี่จะยิ้มกันออกหรือเปล่าไม่ทราบนะ หรือว่าจะเครียดทันทีหรือเปล่าไม่ทราบอย่าว่าขอเลยเฉียวนิดนึงก็ยังแหมโทมานัดไปตั้งนานแล้วนะไม่จากล่าวว่ามีใครมาขอตรงๆขนาดนั้นหรอกพระโพธิสัตว์พอได้ฟังคำนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราใคร่จะบริจาคทานเป็นไปในภายในตั้งแต่ศีรษะเป็นต้นอันที่จริงแล้วเราเนี่ยต้องการจะให้ทานภายในนะ่ขอหัวจะตัดหัวให้ขอตาจะควักตาให้เนีย่ยนะขอหัวใจก็จะพา อ, อกให้ขอแขนขอขาก็จะตัดให้ แต่พราหมณ์เหล่านี้มาขอทานอันเป็นของภายนอ ก, กนเราแม้อย่างนั้นเราจะยังความปรารถนาของพราหมณ์เหล่านั้นให้บริบูรณ์พอป ร, ประทับอยู่บนคอช้างนั่นแหละก็กล่าวว่าเราจะให้ช้างพลายซับมันตัวประเสริฐเป็นช้างราชพานะสูงสุดที่พราหมณ์ทั้งหลายขอเราเราไม่ได้วันไหวเนี่ยะเรียกว่าไม่รู้สึกสะเทือนใจแม้แต่นิดหนึ่งไม่มีเลยนะ ถ้าขอช้างอย่างนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าสกิดใจโทรมนัดเข้ามานิดเดียวไม่มีเลยพระองค์ก็เลยตรัสปฏิญญาชนีแล้วพระราชาผู้ผดุงสีพีร์รับให้เจริญมีพระหฤทัยน้อมไปในการบริจาคทานสเสด็จลงจากคอช้างพระราชทานทานแก่พรามณ์ทั้งหลายเห็นไหมคือพระโพธิสัตว์นี่ก่อนจะให้ก็ลงมากระทำประทักษิณช้างเนี่ยนะสามรอบก่อนคือมาเดินรอบช้างเนี่ยสามรอบเพื่อตรวจดูช้างทั้งหมดเลยเนี่ยนะ เพื่อจะตรวจดูที่กายของช้างที่ประดับแล้วก็ไม่เห็นที่ที่ไม่ได้ประดับในตัวช้างก็เลยจับพระเต้าทองคำอันเต็มไปด้วยน้ำหอมเจือด้วยดอกไม้ตัดกับพรามทั้งหลายว่าดูก่อนพรามทั้งหลายทรานทั้งหลายจงมาข้างนี้ก็เลยวางงวงช้างเนี่ยนะที่เช่นกับพวงเงินอันประดับในมือแห่งพรามเหล่านั้นแล้วก็หยั่งน้ำลงก็คื อ, อ เอางวงช้างมาข้างหนึ่งเลยมือพราหมณ์มาอีกข้างหนึ่งแล้วมาวางแล้วก็รดน้ําแบบกรวดน้ําหมือนะแต่เป็นน้ําที่เจือด้วยน้ําหอมดอกไม้แล้วก็รดลงไปเนี่ยนะพระราชทานทีนี้มาดูว่าทรัพย์สินที่ประดับตัวช้างเนี่ยมีเท่าไหร่วาอลังการที่ประดับที่เท้าทั้งสี่ของช้างเนี่ยนะราคาสี่แสนเฉพาะที่เครื่องแต่งเท้าของช้างสี่สเท้าเนี่ยนะ อลังการที่ข้างทั้งสองของช้างข้างซ้ายข้างขวาก็สองแ 0,000 ข้างละแสนขายคลุมหลังเนี่ยนะที่เป็นตะข่ายแก้วมุกดาตะข่ายแก้วมณีแล้วก็ตาข่ายทองคําก็ราคาอีกส 0,000 นกระดึงประดับที่ห้อยสองข้างเนี่ยนะราคาสองแ 0,000 ผ้ากําพลลาดบนหลังราคา 10,000 แคือผ้าทับหลังเนี่ยนะราคาแสนหนึ่งอลังการคุมกระพองเนี่ยนะอีก 10,000 แ เครื่องประดับอลังการก็เครื่องตกแต่งกระพองสายรัดสามสายสายละแสนก็สามแสนแล้วก็ผู้เครื่องประดับที่หูทั้งสองข้างนะเครื่องแต่งหูนะไม่ใช่ตุ้มหูนะช้างมีตุ้มหูหรือเปล่าต่างหูเนีย่ยนะก็ราคาสองแสนเจาะหูยังไงเนาะเนี่ยนะนะผู้ห้อยนะห้อยหูนะถ้าเจาะหูแบบมนุษย์จะแยงอันนะ แล้วก็ปลอกเครื่องประดับงาทั้งสองอีกสองแสนเนี่ยนะงาที่งอนออกไปเนี่ยนะข้างละอันละแสนวลัยเครื่องประดับทาบที่งวงเนี่ยนะราคาอีกหนึ่งแสนไอ้เครื่องไอ้ห่วงห่วงงวงอ่ะนะห่วงงวงเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ก็กําไรมือใช่ไหมอันนี้กำไรงวงอะ่ะราคาแสนหนึ่งแล้วก็เครื่องประดับที่หางอ่ะนะราคาอีกหนึ่งแสน เครื่องประดับตบแต่งงดงามที่กายช้างยกพันดาที่ไม่มีราคาคือทั่วๆไปอีกนะเกี่ยวกับรวมๆแล้วก็อีกแสนนึงรวมเบ็ดเสร็จก็2 2 0แ0 0ยี่ ส, สแสนเนี่ยนะย แ, นและก็ยังมีเกยสำหรับขึ้นคือเวลาจะขึ้นช้างเราต้องมีที่เกยขึ้นใช่ไหราคาอีกแสนหนึ่งแล้วก็อ่างบรรจุเครื่องบริโภคเช่นญ่าน้ำเนี่ยนะ ราคาอีกหนึ่งแสนรวมเข้าด้วยอีกรวมเป็น24 0 0 0 0แสนเนี่ยนะคือช้างตัวนี้เนี่ยนะไอตอนนำเกิดมันอากุสนำเกิดแต่ว่าอุปธรรมพกกรรมมันดีช้างตัวนี้เ่อุปธรรมพกกรรมมาดีมากเพราะฉะนั้นเป็นช้างที่มีฤทธิ์มากมีเครื่องประดับแสดงว่าช้างนี่มีบุญมากคือบุญประเภทอุปธ ร, รมภกกรรมนะแต่ว่าไอไอกรรมที่นาเกิดมันเป็นอาุศ ล, ลกรรม ทีนี้สิ่งที่ตีราคาไม่ได้มีอยู่เจดอย่างด้วยกันเนี่ยนะสิ่งที่ตีราคาไม่ได้ว่ามันราคาเท่าไหร่เจ็ดอย่างอย่างหนึ่งก็คือแก้วมณีที่กำพูฉัดเนี่ยนะยอดฉัดเนี่ยแก้วมณีอันนั้นเนี่ยตีค่าไม่ได้อันน่ะแล้วก็ที่ยอดฉัดอีกหนึ่งนะนี่ยที่สร้อยมุกดาอีกหนึ่งที่ขออีกหนึ่งที่สร้อยมุกดาผูกคอคอช้างอีกที่หนึ่งกระพองช้างอีกที่หนึ่งเนี่ยนะ หกแห่งนี่ก็ตีประมาณไม่ได้และตัวช้างนี่ไม่ประเมินราคาไม่ได้สมัยนั้นก็ถือว่าโอ้โหเป็นสัตว์ที่แพงที่สุดเนี่ยนะมีมูลค่าหาประมาณไม่ได้เรียกว่ารัตนาเลยนะเรียกว่าช้างรัตนะปกติรัตนามันจะมีเจใช่ไหมหนึ่ช้างจักรรัตนะถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะมีจักรรัตนาแก้วมณีรัตนาปรินายกรัตนาเครือหบดีรัตนะแล้วก็มีนางแก้วเนี่ยนะก็คือนารีรัตนาเนี่ยนะ หรืออิทีรัตนะนก็จะมีพวกนี้เป็นของที่ประมูลราคาไม่ค่อยได้คือมีค่าอย่างมาก น, นะพร ะ, ะพระ อ, องค์ก็เลยพระราชทานทั้งหมดนะั้นแก่พรามนะ ท, ทั้งที่เรียกว่าตีเป็นทรัพย์สินได้ก็ 24,000 0กับของที่ตีราคาไม่ได้อีกเจอย่างให้หมดเลยแล้วก็พระราชทานคนบำรุงเลี้ยงช้างอีก500สกุลนะกับควานช้างคนเลี้ยงช้าง น, นะยกให้หมดเลย ก็มหาสัจรย์เนี่ยแผ่นดินไหวเป็นต้นก็ได้มีแล้วพร้อมกับพระเวสสันดรมหาราชทรงบริจาคทานโดยในเป็นต้นมาแล้วในหนหลังแผ่นดินไหวเลยนะยกให้ขนาดนั้นนะคือถ้าให้แบบทั่วๆไปอาจจะมีโทมนัสมีอะไรแทรกมาบ้างนะท่านไม่มีเลยมีแต่โสมมนัสอย่างเดียวเลยนะคือมีความสุขการให้เนี่ยนะก็คล้ายๆกับพูดแบบทั่วๆไปก็เหมือนคุณหมอวารพบที่เล่า ว, ว่า ถ้าเขาขึ้นบริจาคเลือดนะเขาบอกว่าเขาจะเจาะผิดนะจะเจาะผิดกี่แห่งก็ไม่เป็นไรให้เจาะเลยเขาบอกงั้นสมมานัดอย่างเรื่องนึงโมทนาด้วยเห็นไหมว่าพวกที่ที่นิยมบริจาคทานนี้จะเป็นอย่างนั้นคือมีความสุขกับการให้นะเพราะฉะนั้นพระศาสดา ก, ก็เมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระบร ม, มกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วในการนั้นความน่าสะเพงกลัวขนพองสยองเกล้าได้เกิดมี เมธนีมนทนก็หวั่นไหวเมื่อพระบรมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐในการนั้นได้เกิดมีความน่าสะเพงกลัวขนพองสยองเกล้าชาวพระนครก็กำเริบถ้าทว่าทั่วไปนะคือไอ้ให้ทานพระเทวสันดอนก็ได้บุญแล้วแต่ว่ามีคนเดือดร้อนจนได้เนี่ยนะชาวบ้านนี่เดือดร้อนขึ้นมาทันทีคือพอคือที่เดือดร้อนนี่ก็เนื่องจากว่าพวกพรามเนี่ย ได้ช้างเสร็จก็ขี่ช้างทั ว, ทวนะเที่ยวไปพวกก็ราคาญในหมันใต้เอาอะนะเนี่ยนโชเลยขี่โชเลยอะถ้าได้แล้วเอาพระเวสสันดรให้แล้วขี่โชเลยอะเพราะฉะนั้นเมื่อพระเวสสันดรบร ม, มกษัตริย์ผู้ยังชาวสีพีรัสให้เจริญพระราชาทางช้างตัวประเสริฐชาวเมืองก็เกลื่อนกล่นเสียงอื้ออึงก็แผ่ไปมากมายเนี่ยนะเรียกว่าเสียงโฆษณาก็กล้องด่าพระเวสสันดรกันครมเลยครับนี้เนี่ยนะ คือที่ที่ชาวบ้านก็ด่าพระเวสสันดร น, นี่มีอยู่ว่าพราหมณ์ทั้งหลายได้ช้างแถบประตูด้านที่ใต้ใช่ไหมนั่งบนหลังช้างมีมหาชนแวดแล้อมก็ขับไปท่ามกลางเมืองก่อนนะขี่ไปกลางเมืองโชว์สัหน่อยมหาชนเห็นแล้วก็ถามกับพราหมณ์หล่านะนะว่านแน่เราพราหมณ์ผู้เจริญท่านขึ้นช้างของเราทั้งหลายท่านได้ช้างมาแต่ใดอย่างนั้ น, นพราหมณ์ก็บอกว่าช้างนี้พระเวสสันดรมหาราชเจ้าพระราชทานแก่พวกเรา ก็เมื่อจะโต้อตอบกับมหาชนด้วยวิการแห่งมือเป็นต้นเนี่ยนะพลางขับช้างไปกลางท่านครออกจากท่านครไปที่เหนือคือคือพอได้ช้างเปิดมันก็แบบทําตัวโอ้โอวดด้วยนะคล้ายๆว่าทําตัวค่อนข้างน่าเกลียดด้วยแหมมันเท่มากนะก็ใครมาก็อาจจะยกกิริยาอาการที่ชาวเมืองเขาก็เสียดายของอยู่แล้วด้วยทําตัวอย่างนั้นด้วยมันก็ไปกันใหญ่เลยกันเอ ชาวพระลังครก็โกรธพระบรมมโพธิสัตว์ด้วยสามารถเทวดาโดนใจด้วยในหนึ่งโดนใจให้คิดผิดเนี่ยนะก็เลยโกรธติเตียนกันแถบประตูวังเขาถามว่าทำไงบอกว่าชาวเมืองเนี่ยพร้อมใจประท้วงกันหมดเลยเมื่อพระเวสสันดรผู้ยังแควนของชาวสีพีให้เจริญพราชทชานช้างตัวประเสริฐชาวเมืองก็เกลื่อนกลน เสียงอันกึกก้องก็แผ่ไปมากมายครั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วเสียงอื้ออึงหน้ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้นในการนั้นชาวพระนครก็กำเริบครั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรผู้พดุดงศรีพิรัตให้เจริญรุ่งเรืองพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วเสียงอื้ออึงหน้ากลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนครนั้นเห็นไห คือเขาบอกว่าครั้งนั้นชาวเมืองนี่มีจิตตื่นเต้นเพราะพระเวสสันดรเนี่ยพระราชทานช้างสําคัญของบ้านเมืองก็เลยกราบทูลกับพระเจ้าสรรชัยเนี่ยนะก็เขาพูดถึงว่าคนที่มาประท้วงนี่มีใครบ้างเขาบอกว่าคนที่มีชื่อเสียงะนะคนที่มีชื่อเสียงทั้งเมืองอ่ะมาหมดเลยพระราชบุตรทั้งหลายพ่อค้าชาวนาพราหม แล้วก็ไม่เท่านั้นนะกองทัพมาหมดเลยกองทัพช้างก็มากองม้าก็มากองรถกองราบชาวนิคมชาวสีพีทั้งสิ้นก็ประชุมกันแล้วพอเห็นช้างเนี่ยถูกพรามทั้ง8นําไปเนี่ยนะเรียกว่าระดมพวกเลยนะแห่กันมาเต็มบ้านเต็มเมืองจะประท้วงอย่างเดียวก็บอกว่าพวกเหล่านั้นกราบทูลพระเจ้าสรนชัยให้ทรงทราบว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแคว้นของพระองค์เนี่ยอันพระเวสสันดรเนี่ยกำจัดเสียแล้วเหมือนกันเถอะ ปลให้พระราชาแบบนี้มาบริหารบ้านเมืองนี่โวตวายเน่เมืองนี่เหมือนกันนะชาวเมืองนี่เดือดร้อนละเพราะฉะนั้นพระเวสสันดรพระราชโอรสของพระ อ, องค์เนี่ยพระราชาทานช้างตัวประเสริฐของเราทั้งหลายซึ่งชาวแว่นแขวนบูชาแล้วด้วยเหตีไรคือช้างนี่มันช้างของเมืองนะมันช้างบ้านช้างเมืองเนี่ยนะพระกาบพระเวสสันดรมีสิทธิ์อะไรไปบริจาคแบบนั้นเนี่ยนะก็ค้นึกว่าถือว่าเป็นของพวกตัวนะไม่ได้คิดว่าอันนั้นอะปัจจญานาคซึ่งเป็นของพระเวสสันดรไม่ได้คิดอันนั้น คิดว่าเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของสาธารณะพระเวสสันดรนี่จะใหญ่มาจากไหนแล้วยกช้างตัวนี้ให้กับเขาไปยังไงนะก็เลยกโกรธกันใหญ่เลยบอกว่าพระเวสสันดรนี่พระราชทานช้างของเราทั้งหลายซึ่งมีงานเนี่ยดุดงอนไถเป็นราชพาหนะรู้ชัยภูมิแห่งการยุทธทุกอย่างสมัยนั้นไม่มีรถถังใช่ไหมมีแต่รถช้างมีแต่ช้า ง, างนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้เชื่องนี้สําคัญมากกว่าการรบ เนะขาวทั่วสารพางเป็นช้างสูงสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองทรัพม น, นี่นะอาจย่ำยีศัตรูได้ฝึกดีแล้วพร้อมด้วยพัดวาลวีชณีมีสีกายเนี่ยนะเขาเช่นกับเขาไกรลาดใครว่าวช้างเนี่ยดูเหมือนสีเงินเหมือนกันพร้อมด้วยสเวตะชัดทั้งเครื่องราชอันงามทั้งหมอทั้งคนเลี้ยงเป็นราชยานอันล้ําเลิศเป็นช้างพระที่นั่งพระราชทานให้เป็นทรัพแก่พราหมณ์ทั้ง8ดเสียด้วยเหตุอะไร เนี่ยนะปะท้วงกันทำหนังสือประท้วงใหญ่โตเลยนะแให้ไปหมดเลยอย่างนั้นเดีนะเสียดายมากก็ไม่รู้่ะถามเเวลาพ่อบ้านแม่เรือนทั้งหลายไปทำบุญที่ไหนมานะกลับมาบ้านบอกทางนี้แล้วก็จะนุโมทนาง่ายๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นอีกเจ้าให้ไปอีกเจ้าได้ข่าวเข้าอา้าวยิ้มไม่คอยออกแล้วอ่างั้นนไหมแล้วก็กราบทูลต่อไปอย่างนี้อีกว่าพระเวสสันดร น, นั้นะ ควรจะพระราชทานข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มเสนาสนะเพราะว่าของเหล่านั้นสมควรแก่พราหมณ์ทั้งหลายคือไม่ไม่ไมจําเป็นต้องให้ใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะให้ข้าวให้น้ําให้กุฏิให้อะไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วมันก็สมควรกันแล้วว่างั้นพระเวสสันดร น, นี้เป็นพระราชาสืบสันติวงศ์เนี่ยมาจากพระองค์เป็นผู้ทําความเจริญแก่สีพีรัตข้าแต่พระเจ้าสันชยัยพระเวสสันดรผู้พระราชโ อ, อรส พระราชทานช้างเสียทําไมถ้าหากว่าพระองค์จักไม่ทรงทําตามคํานี้ของชาวซีพีชรอยเนี่ยชาวซีพีเนี่ยจัดทาพระองค์ตัดพระราชโอรสเอาไว้ในเงื้อมือเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่ทําตามข้อเสนอของชาวเมืองที่จะเสนอต่อไปนี้นะจะควบคุมราชบัลลังก์ด้วยชาวเมืองเหมนันนี่ยนะคล้ายๆจะลดตําแหน่งหมดลนะ ชาวเมืองทั้งหมดนี่จะยึดอำนาจของกษัตริย์ทั้งหมดถ้าถ้าไม่ทำตามคำสั่งที่ที่ข้อเสนอที่ประท้วงเข้าไปพระเจ้าสรรชัยพอฟังดังนั้นก็เลยคิดว่าชาวเมืองนี่อา้าวจะให้ข่าพระเวสสันดรนี่อย่างนี้ก็บอกว่าถึงชนบทจะไม่มีถึงแคว้นจากพินาศไปก็ตามเถิดเราก็ไม่พึงในประเทศพระราชโอรสผู้หาความผิดนี้ได้จากแคว้นของตนตามคำของชาวเมืองคือพระเจ้าสรรชัยนี่ก็รักลูกมากนะ อะไรมันจะเกิดมันก็ช่างมันเหมงอนกันเถอะนะฉันจะไม่ทําตามคําของชาวเมืองละวหมือนกันจะรักลูกเหมือนกันเพราะลูกของเราเนี่ยเกิดจากอกของเราและเราไม่พึงประทุสร้ายในลูกนั้นเพราะเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลลูกเราเป็นคนมีศีลนะและก็ถึงพร้อมด้วยวัดอันประเสริฐเช่นเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะเพราะพระเบสันดอนเป็นคนที่กระตันยูมาก แม้คําติเตียนจะพึงมีแก่เราและเราจะพึงได้บาปเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าลูกพระเวสสันดรด้วยสาสตราได้อย่างไรคือพระเจ้าสัรชายนี่คิดว่าจะให้สั่งให้ฆ่าลู ก, ก น, นะพระเจ้าสรรชัยบอกว่าโอ้ยอะไรมันจะเกิดก็เกิดฉันฆ่าลูกไม่ได้เด็ดขาดเนี่ยนะจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างฉันไม่สามารถฆ่าลูกได้เพราะเพราะอะไรเพราะว่าลูกของฉันเป็นผู้มีศีลมีวัตะ ทีนี้ชาวซีพีก็กราบทูลว่าพระองค์อย่าประหารพระเวสสันดร น, นั้นด้วยท่อนไม้และศาสตราเลยเพราะว่าพระปียรสนั้นอ่ะขอไปพระปิโยรดแปลว่าโอรสอันเป็นที่รักเนี่ยนะหาควรแก่เครื่องพันธนาการไม่พระองค์นี้ทรงขับพระเวสสันดร น, นั้นเสียจากแว่นแควนพระเวสสันดรเนี่ยจงประทับอยู่ที่เขาวงกดเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ต้องฆ่าไล่ให้ไปอยู่เขาวงกดซะอย่างนั้น ก็ยื่นคำขาดเข้ามาทีนี้พระเจ้าสันชัยพอฟังดังนั้นก็บอกว่าถ้าชาวซีพีพอใจอย่างนี้เราก็ไม่ขัดความพอใจคือถ้าไม่ถึงกับฆ่ากันก็ไม่เป็นไรเหมนนเถอะจะไล่ให้ไ ป, ไปอยู่เขาวงกดก็ได้นกันแต่ว่าขอลูกของเราเนี่ยนะขออยู่อีกคืนหนึ่งเถอะเนกันขอขออีกคืนหนึ่งและให้เขาบริโภคกามมารมทั้งหลายก่อนแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างแล้ว ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวซีพเนี่ยจงพร้อมใจกันขับโอรสของเราจากแว่นแควนเถอะขอวันนี้อีกวันหนึ่งคืนนี้พรุ่งนี้จะให้เขาไปละวหมือนนน่ะหมายว่าขอให้อยู่สอนลูกสอนหลานก่อนสักคืนหนึ่งแล้วค่อยไปเหมือนกันทีนี้ชาวซีพก็รับพระราชดำรัสว่าพระโอรสนั้นจงยับยั้งอยู่สักราตรีหนึ่งเถอดลาดับนั้นพระเจ้าสรรชัยก็ส่งชาวเมืองเหล่านั้นให้กลับไป น, นะก็ประชาชนก็เลิกประท้วงกันนะก็แยกกันกลับหมด ทีนี้เมื่อจะส่งข่าวแก่พระโอรสก็เลยเรียกนักการมานักการก็คืออํามาตย์คนใกล้ชิดที่ที่ทํางานต่างพระเนตรพระกันเนี่ยนะมาไปาแล้วก็ส่งไปนางสานักพระโอรสนายนักการก็รับกระแสคําสั่งไปสู่พระราชนิเวศของพระเวสสันดรคือเขาอยู่กันคนระวังะนะแต่ว่าในในเขตพระราชฐานเหมือนกันแต่ก็อยู่กันคนระวังกันทว่าไปก็คือคนบ้านนะนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าสนชัยจึงตรัสว่าเนี่ยนายนักการ เจ้าจงรีบลุกรีบไปบอกลูกพระเวสสันดรว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพชาวซีพีและชาวนิคมเนี่ยขัดเคืองพระองค์มาประชุมกันคนที่มีชื่อเสียงและพระราชบุตรทั้งหลายพ่อค้าทั้งหลายพราหม์ทั้งหลายทั้งกองช่างกองมา้ากองรถกองราบชาวนิคมชาวซีพีทั้งสิ้นเนี่ยมาประชุมกันแล้วเมื่อราตรีนี้สว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวซีพทั้งหลายพร้อมใจกันขับพระองค์จากแว่ดคว้น คืออันนี้เป็นคำสั่งที่พระเจ้าสัใชัยบอกกับนายน ก, การ น, นะให้ไปบอกลูกทีถ้าสมัยนี้ทำยังไงแฟกหรือโทรศัพท์นะใสโทรศัพท์เอาเลยนะไม่ต้องไม่ต้องแบบใช้ปากประปากไปละนายน ก, การนั้นอันพระเจ้า cp เนี่ยส่งไปก็เข้าไปสวมสับพาพอนี่หมายความว่านายนา ก, การเนี่ยก็แต่งแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่แหละ นุ่งห่มอย่างดีประพรมด้วยแก่นจันทร์สนานศีสะในน้ำแล้วก็สวมกุลทนแก้วมณีไปนะแต่งตัวอย่างดีเลยนะเข้าไปสู่วังอันน่ารื่นรมเป็นพระนิเวศของพระเวสสันดรเขาได้เห็นพระเวสสันดรเนี่ยรื่นรมอยู่ในวังของพระองค์ซึ่งเกลือกล่อนกลนไปด้วยสเสวกกา ม, มาตดุดท้าวาสะวะของเทพเจ้าชา ว, ชาวไตรทศคือพระเวสสันดรเนี่ยนะ ปกติเขามีสหาชาติอยู่6 0 0 0 0คนใช่ไหมปกติก็จะห้อมล้อมอยู่ด้วยสหาชาชนี่ห0 0 0 0คนซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะประชุมสั่งงานพูดคุยกันไปสนทนากันไปก็จะค้าว่าอยู่อาณาจักรส่วนตัวนะพ่อก็อยู่ส่วนพ่อแต่เขาประท้วงไล่พระเวสสันดรเขาไม่ได้ไปประท้วงกับพระเวสสันดร น, นะแต่ปกตินี่อำนาจรัฐพระเวสสันดรปกครองแต่ชาวเมืองนี่ไปประท้วงกับพ่อเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นนายนักการก็เลยไปที่วังอ่ะนะก็ได้กราบทูลพระเวสสันดรผู้รื่นรมอยู่ว่าเนี่ยนะวิธีไปกราบทูลก็ว่าข้าแต่พระจอมพลเนี่ยนะจอมพลก็คือจอมก็แปลว่าเป็นใหญ่ในกำลังทั้งหมดอ่ะนะข้าพระบาทจากทูลความทุกข์ของพระองค์ว่างั้น ข, ขอพระองค์อยากเกลี้ว่ข้าพระบาทนะนจะเล่าว่าพระองค์นี่มีทุกข์แล้วนะว่างั้นแต่อย่าห้ามโกรธคนบอกว่างั้นเย น, นายนการนั้นก็ถวายบังคมแล้วก็ร้องให้กราบทูลพระเวสสันดรว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ชุบเลี้ยงข้าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้นํามาซึ่งรถคือความใคร่ทั้งปวงอย่างนั้นแท้ก็ ก, ก็ไม่ลืมนะกตันกระตเวทีอันนีก้ก็กระตันอยู่คุณใดที่พระองค์กระทาแต่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ระลึกถึงคุณนั้นอยู่เสมออยู่รอกอย่างนั้น น, นะก็คล้ายๆกับว่าเรากับท่านไม่ได้โกรธกันนะอย่างนั้น ข้าพบาทจะ ก, กราบทูลความทุกข์ของพระองค์เมื่อข่าวแสดงความทุกข์อันข้าพระบาทกราบทูลแล้วขอฝ่าพระบาทจงยังข้าพระบาทให้ยินดีนะก็แปลว่าถ้าข้าพระเจ้ารายงานอะไรไปนะขอขอให้ท่านช่วยบอกให้รายงานได้ตามสบาย่างนั้นเถอะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพชาวซีพีและชาวนครเนี่ยขัดเคืองพระองค์มาประชุมกันเนี่ยนะ เช่นพวกคนที่มีชื่อเสียงพระรา ช, ชบุตรทั้งหลายไม่ใช่แต่ชาวเมืองอย่างเดียวนะสายพญาติของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันด้วยเหมือนั้นแล้วก็พวกพวก่อค้าพวกพราหมกา์กองช้างกองม้ากองรถกองราบชาวนิคมชาวซีพีทั้งสิ้นประชุมกันแล้วเมื่อราตรีนี้สว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวซีพีทั้งหลายพร้อมกันขับพระองค์จากแว่นแควนถ้าถ้าเราเป็นพระเวสสันดรนี่จะว่าไง คือคืออยู่อ ย, ยังไม่ทันรู้เลยนะว่าเขาจะมาไล่ทําอะไรนะแต่บอกว่าให้ต้องพรุ่งนี้ต้องออกจากเมืองพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าชาวซีพีนี้ขัดเคืองเราเราเนี่ยยังไม่เห็นความผิดเพราะอะไรคือเี้ยงไม่รู้ว่าไปทําผิดอะไรมาทําไมจึงมาไล่เราแน่นายนักการท่านจงแจ้งความผิดนั้นแก่เราชาวเมืองทั้งหลายจะขับไล่เราเพราะเหตุไรเอาไล่เราทําไมล่ะพวกนักการก็กราบทูลว่า พวกคนที่มีชื่อเสียงและพระราชบุตรทั้งหลายทั้งพ่อค้าทั้งหลายพราหมณ์ทั้งหลายทั้งกองช้างกองม้ากองราบขัดเครืองพระองค์เพราะพระราชทานคดจาสารตัวประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงขับพระองค์ไปเสียโทษฐานเมื่อวันนี้นะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยนะก็ให้ช้างไปอ่ะนะทั้งเครื่องประดับหเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาโกรธเพราะคดีนี้เหมือนันน่ยต้องการจะไล่พระราชาหนีถ้าของเรานี้จะโทมนัทหรือจะสมานัทขึ้น นะถูกไล่เพราะให้ทานเนี่ยนะพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็โสมนัสขึ้นทันทีแล้วก็พูดนะนะพูดด้วยความดีใจขึ้นมาว่าดวงใจหรือจักสุขเราก็ให้ได้จะอะไรกระซับภายนอกกายของเราคือเงินทองมุกดาภายัยทูนหรือแก้วมณีมางั้นเีนะสำนวน ว, นว่า จะอะไรกันนักกันนะ้ากับทรัพย์ภายนอกแก้วแหวนเงินทองขนาดหัวใจเราก็จะผ่าให้หัวเราก็จะตัดให้เนี่ยนะก็อาจจะอะไรกับของภายนอกอย่างนั้นอ่างนั้นเมื่อยาจกมาแล้วเราได้เห็นเขาแล้วพึงให้แขนขวาก็ได้แขนซ้ายก็ได้เนี่ยนะแตว่าตัดแขนให้ยังให้ได้เลยอย่างนั้นเราไม่พึงหวั่นไหวเพราะใจของเราเนี่ยยินดีในการบริจาคปวง ชาวซีพีเนี่ยนะจะขับไล่หรือจะฆ่าเราเสียก็ตามพวกเขาจะตัดเราเสียเป็นเจ็ดท่อนก็ตามเราจะไม่งดเว้นจากการบริจาคทานเป็นอันขาดคือจะทํายังไงก็ทําเถอะใช่เลิกให้ทานไม่ได้สรุปว่ายังไงก็ต้องให้ทานต่อไปว่า ง, งั้นนายนักการได้ฟังอย่างนั้นก็เมื่อจะกราบทูลข่าวอื่นตามมติของตนเนี่ยนะตรงนี้เครียกว่านอกเหนือจากพระเจ้าสรรชัยสั่งมาเลยนะแต่ว่า เทวดาดนใจเนี่ยนะก็ก็เรียกว่ากราบทูลในสิ่งที่พระราชาไม่ได้สั่งว่าชาวสีพีและชาวนิคมเนี่ยประชุมกันกล่าวอย่างนี้ว่าพระเวสสันดรผู้มีวัดอันงามจงเสด็จไปสู่ภูผาอันมีชื่อว่าอารันชระคิรีตามฝั่งแห่งแม่น้ําโกนติมาราตามทางที่พระราชาผู้ถูกขับไล่เสด็จไปนั้นเถิดเนี่ยนะคืออันนี้เทวดาเนี่ยเข้าแทรก นะเข้าแทรกให้กราบทูลอย่างนี้ว่าให้ต้องไปอยู่ป่านั้นถามว่าเรื่องราวเนี่ยทำไมเทวดามายุ่งอะไรเหลือเกินเนี่ยนะเทวดาก็ทําให้ชาวเมืองโกรธจะได้ขับไล่ไปอยู่ป่าแล้วก็พอไปกราบทูลก็ชี้นำว่าต้องไปอยู่ป่าตรงนั้นเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยใครจะกล้ามาขอลูกใช่ไหมให้ลูกเป็นทานให้ได้ไหมในเมืองไม่ได้ให้มาเหสีเป็นทานนะใครจะไปขอมาเหสีในเมืองขนาดนั้น เข ก, ก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนีเหตุผลสําคัญมากก็คือต้องการให้ไปอยู่ป่าจะได้บริจาคลูกเป็นฐานได้จะให้ได้บริจาคเมียเป็นฐานได้ถามว่าทําไมล่ะเอาทำไมให้บริจาคอย่างนี้แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่ทําเหตุเหล่านี้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คาว่าชี้นําก่อนว่าสถานที่ตรงนั้นเหมาะนะนะครับเทวดาก็โดนๆแนวนี้นะนะก็เทวดาก็ควบคุมการประพฤติ บ, บางส่วนอยู่ห่างๆ่ันนะ แต่ทีนี้เทวดากลุ่มนี้ก็ไม่ได้กล่าวว่าเป็นกลุ่มพรมหรือกลุ่มเทวดาทั่วๆไปเนี่ยนะแต่ของมาเดาเองว่าคาดว่าคงเป็นกลุ่มพรมเนี่ยนะคงไม่ใช่เป็นเทวดาชั้นกามาวจรแต่น่าจะเป็นกลุ่มพวกพรมทั้งหลายเนี่ยนะคือพรมทั้งหลายปกติเขามองออกอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ชี้นําหน่อยว่าตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นตรงนี้เนี่ยนะก็แทกแทรกหน่อย คือคือเขาแทรกทางความคิดได้นะให้มีแนวความคิดแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยนะในในสมัยพุทธกาลนี่พูดถึงเทวดาทั้งหลายมาแทรกเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะมีมาก